เพราะการที่เราเสียสละเวลามาร่วมได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องลางานต้องเสียสะละหลายๆอย่างนั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งหนึ่งๆเนี่ยเราคนที่จะได้ไประโยชน์ที่เราสัมผัสได้นะไม่ใช่เรื่องของศรัทธาศรัทธาทุกคนมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่ถ้าเราความเพียรและปัญญาของเรายังอาจจะต้องเพิ่มมากขึ้น เมื่อก่อ น, นเขาอาจจะใช้วิธีการาธรรมบรรยายาวๆเนี่ยไปสำรวจตรวจสบแล้วรอกว่ามันไม่เวิร์คคือหมายความว่าคนจำไปใช้จับประเด็นไม่ได้ก็เสียเวลาคุณฟังคุณพูดด้วยก็เลยว่าจะใช้การสอบอารมณ์อย่างที่เราทำเมื่อวานน่าจะเวิร์คและตรงประเด็นกว่าใช่ไห มันก็จะเจอะปัญหาเราโดยเฉพาะก็ทำให้เรานำไปทำได้เลยน ะ, ะเพราะเหตุใดที่ผู้ปฏิบัติต้องประสบตัวนี้ก่อนเพื่อนข้อมวงมีอยู่สี่ห้าสาเหตุด้วยกันสาเหตุที่หนึ่งเขาขนไม่พอใช่สาเหตุที่สองทานอาหารเยอะเกินไป สาเหตุที่สามสุขภาพไม่ค่อยดีสาเหตุที่สี่ทานยารักษาโรคบางตัวที่มีฤทธิก์กดปรสะสาทสาเหตุที่ห้าเป็นอารมณ์ที่เนื่องมาจากเราเคยทำสมถะมามากมากก่อนเมื่อเรามาทำลักษณะแบบนี้สิ่งที่เรากดกดกดทับเอาไว้เนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นมา จิตของเราเข้าเราหลับไหลในช่วงที่นั่งสมาธิหรือเผอนั่งไปเยอะๆนะคนไทยชาวพุทธทุกคนนะทําสมถะมาก่อนทั้งนั้นนะแต่บางครั้งเป็นสมาสมาธิบางครั้งเป็นมิจฉาสมาธิตัวที่เป็นมิจฉาสมาธินี่เองมันจะแปลมาเป็นนิวรณ์ตัวนี้ง่วงหนักเพราะนั้นมันออกมานั้นดีแล้วเราจะเปลี่ยนตัวง่วงนี้ให้เป็นสมาสมาธิก็ ค, คือตั้งใจ ที่จะปรับที่จะแก้ความตั้งใจมั่นนั่นแหละคือสมาปัสัมมาสมาธินะแต่ความสงบลึกดึงดิงด่งดิ่งดับลงไปเนะี่ยบางทีเป็นมิจฉาสมาธิตั้งแต่ช 4, ตั้นสี่ตัชั้นห้าถึงชั้นแปดเป็นไม่อยากจะเรียกว่ามิจฉาสมาธิเป็นสมาธิของพู้รู้ีชีพายแต่พุทธเจ้าท่านใช้แค่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสท่านั้นเอง ฌานที่สี่ก็เพื่อให้มีสติและอุเเกรธาเนี่ยนะมนสิบหลักเมื่อเรามีสติและอุเเกรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็วางเฉยต่ออารมณ์ผู้อย่างมันก็เป็นฌานละฌานอวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากความสง บ, บที่จะให้มันลึกเกินไปนะออกมาตื่นแต่วันนี้เมื่อได้ออกกาลังกายช่วยก็คงจะดีขึ้นเนาะอาจะดีขึ้นนอกจากทําที่วัดสุวรรณนะับมาสองครั้งที่อื่น เ, เคยไปทํำไหมไม่เคยนะ ล้วกลับจากวัดสูมนัดแล้วเอามาทำต่อที่บ้านไหมก็ยังดีเนาะแต่ว่าเจตนาที่จะใส่ลงไปในขณะที่เราทำในงานก็ไม่ได้ร0 0์ใช่ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างหลุดเยมากกว่าตรงนั้นคือมันก็ทำให้กําลังของสติมันไม่ต่อทอดยามาถึงวันนี้เวลามาทำตัวง่วงจ ม, มาเยอะ อันนี้ก็ใช้วิธีแก้หลายๆแบบเอาเนะก็อีกวันสองวันก็คจะเบาเรื่องมักจะมาด้วยกระตูง่ว ง, งตัวคิดเลือดคิดมันก็ง่วงเลือก ง, ง่วงก็งคิดนะปรากฏว่านิวร์ในห้าตัวนี้นะตัวที่เป็นวิจิกิจชาร์ตตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นโมหะโดยตรงแต่ตัวที่เป็นนิวรณ์โดยตรงของชอบใจไม่ชอบใจหรือราคาโทสาร ก็คือตัวกมามชันทะและพยาบาทะกมามชันทะอันเกิดมาจากความชอบใจพยาปาทะเกิดจากความไม่ชอบใจแล้วตัวง่วงเนี่ยเป็นตัวขยายของความชอบใจที่เราเคยยึดติดความรู้สึกสงบเมื่อก่อนจะออกมาเป็นตัวง่วงและตัวฟุ้งซ่านเป็นตัวขยายของ พยาบาทะคือความไม่ชอบใจและฟุง้งนะเพราะฉะนั้นในสามตัวเนี่ยจึงรวมเป็นหลักเป็นเรื่องของโมหะแต่สองตัวนัคือตัวที่เป็นเหตุมาจากตัวที่หนึ่งที่สองคือกา ร, รมาฉันทะ ก, กับพยาปาทะต่วตัวที่สามคือลังเลสงสัยมันเกี่ยวข้องด้วยทิฏฐิและปัญญาถ้าแปลงได้ก็เป็นปัญญาถ้าแปลงไม่ได้ก็เป็นโมหะในตัววิจิขิชาเนี่ยนะตัวสงสัยเนี่ย เป็นได้ทั้งปัญญาและโมหะตรงที่ว่าเราแก้ไขได้หรือไม่ได้อันนี้สาเหตุของความม่วงนะนนความม่วงจือเกิดจากการมาฉันทะไงคือความชอบในสบายนะั้นเป็นการมฉันทะละเอียดชนิดหนึ่ง<ม>ก็ถ้าหากเราเลิกตัวนั้นได้ตัวนี้ก็จะไม่เป็นหมายความว่าอย่าไปติดใจในความสงบอย่าไปติดใจในความอะไรที่เราชอบอะ่ะอย่าไปติดใจสิ่งนั้นมากเกินไปถ้าเป็นตัวนั้นปั๊บมันจะมาเป็นตัวนี้ แล้วถ้าไม่ชอบสิ่งใดก็เลยจะไปปฏิฆะหรื อ, รอมีอารมณ์นานเกินไปถ้ามีอารมณ์ตัวห น, นามก็มจะออกมาเป็นเรื่องฟุ้งซ่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงบอกว่านิวรณ์ตัวที่สามทสี่เป็นตัวขยายของตัวที่หนึ่งที่สองนั่นเองแต่เนื่องจากเวลาละเอียดความละเอียดเรายังไม่พอนะเราก็ต้องจับถูกจับผิดไปก่อนจนกว่ามันจะเกิดปัญญาว่าเอออันนี้ตัวนี้เป็นเหตุของตัวนี้นะแล้วก็มาจัดที่ต้นเหตุ เราย่ามาแก้ดีปลายเห็นไม่จบใช่ไหมจบก็ไม่หมดนอกจากตัวง่วงตัวฟุ้งร่างกายเป็นไงแต่ถ้านอนให้เช้าหน่อยตื่นมาเช้าแต่นอนดึกมันก็นอนน้อยพอก็ไป็นสาเหตุหนึ่งของความง่วงนะถ้านอนหลับจริงแต่ว่านอนหลับไม่ลึกก็จะเป็นนะก็สังเกตรศึกษาไปวิธีนอนหลับลึกก็อย่างที่ว่าต้องศึกษาเรื่องอนาปาที่เราสวดไปเนี่ยให้ลึกเข้าใจเนาะเคหวังว่าคงจะแก้ไขได้ โยมกิมซุยนี่คนใหม่ไหมไอมหายไปหมดแล้วสามวันนี่ละลายเลยเหมือนทัางต้นใหม่อ่ยนะเรามาเที่ยวนี้ก็คงจะต้องเหมือนเริ่มต้นใหม่นะก็จะง่วงจะเบื่อจะเสงฟ่ยมซ้ำซ่านสารพัดคุณต้องจ่อยสู้มาหน่อยก็แล้วกันคิดถึงบ้านกูมาทําไมเพื่ออะไรอะมันก็จะคิดสารพัดเรื่องอนะก็ต้องตรวจสอบมันหน่อยแล้วก็ขยันทําในรูปแบบมากขึ้นเป็นจงกรม ให้น้อยนั่งให้มากแต่ถ้านั่งแล้วอารมณ์มันเยอะเกินไปฟุ้งซ่านเหนื่อยเบื่อมากเกินไปก็ผ่อนคลายด้วยการเดินสักพักหนึ่งแล้วกลับไปนั่งใหม่เพราะนั่งในนีบทเนี่ยมันจะทำให้เรารู้อารมณ์ได้เร็วเพราะมันมีเวทนามากกว่าทุกวิทนามันมากกว่าเดินเดินในเวทนาทุกวิทนามันไม่มากนะเพราะนั้นเราแก่ปรับดูนะสองสมวันเนี่ยเพราะว่าเหมือนกระลมต้นใหม่แหละ ก็เวลามันเกิดมันท้อมันเบื่อมันเซ็งก็สร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเองนึกถึงชีวิตของเราเพาชีวิตของเราอยู่ยืนมาถึงวันนี้โดยที่ไม่อป่วยไม่ตายโดยที่ไม่พิกลพิการเนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมละแต่ข้างหน้าต่อไปถ้าเราไม่มีบุญตัวนี้หนุนส่งนะอาจจะไม่แน่อาจจะป่วยจะตายจะตกตําจะพิกลพิการสารพัดเออเราก็เห็นว่า บุญกุศลครั้งนี้เป็นบุญกุศลที่สูงมากเราต้องตั้งใจทำมีปัญหาอุปรสรรคอะไรให้แกให้เต็มที่นี่นะมันก็จะเป็นกำลังใจให้เราได้ได้ต่อสู้ปัญหาได้ง่ายขึ้นตัวเมื่อวานมาทอนช่วงช่วงบ่ายเนาะ mm. ก็โอเคาวานก็คงช่วงเช้าก็งานเยอะอยู่มาไม่ทันโอเคก็วันนี้ก็คงจะเต็มที่เมื่อคืนนหลับดีไหมโอเคแล้วควยังระยั ง, ยงับไม่เป็นอ่า วันต่อไปคงจะหลับเป็นก็อย่างที่หลวงพ่อแนะนําแล้วเรื่องเดี๋ยวลงให้ใจไปก่อนยังไม่ต้องอยากหลับดูศึกษาลงให้ใจเข้าไปไงขณะดมให้ใจเข้านคิดอะไรบ้างไหมสำรวจใจไปสำรวจลมไปในตัวดึงลวงให้ใจเข้าออกยาวๆนี่นะอืมไปเรื่อยๆแเราจิตของเราแต่ว่าบางคนที่ยังทําไม่เป็นก็ตามปุฏิเวลาจะนอนนะน่ะ ชอบเอาเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนี้นมาคิดติดมันค้างว่ากลางวันน่ะที่เราติดติดว่ากลางวันเอามาทบทวนให้ตัดทิ้งเลยตัดได้ก็พยายามเตือนตัวเองให้หายใจลึกๆยาวๆหายใจเข้ายาวได้เท่าไหร่หาออกยาวเท่าไหร่ฝึกอาณาปานสติไปด้วยจะช่วยให้เราหลับได้ง่ายเลยลึกๆขึ้นอลองดูเน้านี่ น, นํามสกุลดีเนี่ยพุทธวัตรแล้วคุณสมนึกอ่มาด้วยกันไหมพี่ชาย อเออพ่อยสาไม่รู้ว่ามูดันมาว่าทั้งครอบครัวเลยเคยไปเข้าปฏิบัติที่ไหนมาก่อนไหมก็มีโอกาสได้ไปแต่และครั้งกี่วันแต่ไม่ใช่เดินไปเรื่อยๆนะอ้าวทาโดยโตรเดินหนึ่งทำตบเต่าเดินหนึ่งละยองเดินหนึ่งตราดเดินหนึ่งเกาะช้างเดินอย่างนี้นะไปตั้งแคมป์เราไม่เดินเหมือนทุ่งทั่วไปแล้วก็หลายปีแล้ว เพราะนั้นพวกกลุ่มพวกลงตาจันแกสินเจ้าคุณยงยุทธ์ในพวกนี้ก็เกิดจากทุดเระจิตมันต้องทำหน้าที่อ่ยต้องรับรู้อารมณ์ไม่ให้จิตรับรู้เลยเนี่ยมันไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นสมถะแต่ว่าวิปัสสนาต้องรับรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ดูแต่ถ้าว่าเป็นสมถะเนี่ยเราเข้าไปเป็นกับมันมันถึงมีปัญหา แต่พีปรสนาจะไม่ทําอย่างนั้นพีปรสนาจะเฝ้าดูแต่ตอนนี้ตัเฝ้าดูเนี่ยดูเป็นหรือยังดูอารมณ์เป็นหรือยังคือเราจะรู้ว่าใครรู้อารมณ์รูปนามชัดไม่ชัดดูที่ว่าดูความคิดเป็นหรือยังถ้าดูความคิดได้นิดหน่อยก็อารมณ์รูปนามยังไม่ชัดถ้าดูความคิดชัดเห็นชัดเข้าออกชัดอารมณ์รูปนามก็ชัดเรพร้อมที่จะไปอารมณ์ต่อไปได้นะทีนี้ทุกขเวทนาของร่างกายที่แล้วมาเห็นชัดไหม ร่างกายที่มันไม่สบายตลอดเวลานะเห็นมันชัดไหมไใส่ใจแก้ไขบ้างไหมหรือเตยเลยปล่อยเลยตำเลยแก้ไขเรื่อยๆนะก็ทำให้มากขึ้นคือความทุกขเวทนามีสามระดับหยาบหยาบคือทนไม่ได้แล้วใช่ไหมระดับกลางพอทนได้ะระดับละเอียดยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะนั้นดูระดับกลาง ต่อไปดูระดับกลางให้เป็นมันเริ่มจะหนุง่งจะหนักนี่นะก็ะตามบุไปเรื่อยๆแต่ระดับหยาบหมายความว่าทนไม่ได้ละแต่ถ้าทนได้หมายความว่ากันกดเก็บกดละขั้นฝ่าฝืนการบังคับซึ่งเจะไม่ผลไม่เป็นผลดีต่อวิปัสสนาเพราะฉะนั้นทุกเวทนาขั้นสูงอาจจะเป็นผลดีต่อสมถะแปลงเป็นพลังได้แต่ว่ามันไม่เป็นผลดีต่อวิปัสสนาตรงนั้นวิปัสสนาต้องการ เวทนาที่เบาบางเวทนาะระดับกลางแล ะ, ละระดับละเอียด น, นะแค่นั้นแต่ถ้าไประดับสูงะระดับทนไม่ได้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นวิปัสนาเป็นสมถะไปแล้วค่อยบําบัดก็ดีนะเอาลูกชายมาปฏิบัติได้ถือว่าเป็นพ่อตัวอย่างเลยนะถ้าหากว่าเราสามารถดึงลูกสาวลูกชายเข้ามาปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างธรรมธายาธได้ แล้วเราก็ให้ธรรมทายาตอมีสรัทาญาติไม่แน่นอนเดี๋ยวเข้าไปคุณหายใจหมดใช่ไหมแต่ธรรมทายาตินี้เขาก็เป็นสมบัติติดตัวไปตลอดชีวิตเลยมีพ่อแม่ที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเขาหมู่ธนาโดยโยมสมนึกต่อไปคุณเปียพรเปียพรเพิ่งมาหรือมาครั้งแรกหรือมาหลายครัง้งแล้วครั้งแร ก, แ, รกแฟนชวนมาหรือเปล่า พอลูกสาวด้วยนะสามโอ้โมทนาราสาธุมีสามคนแล้อกี soul, ่คนลูกสามคนนะรถไฟนะเออได้บุญนะได้ได้โฟรตาที่ไฟทางนี้เธอก็ได้บุญไปด้วยนะเพราะนั้นตั้งใจทํำหน่อยนะเพราะเราจะได้เมื่อวานมาสายหน่อยก็ไม่เป็นไรวันนี้ทั้งใจหน่อยแต่ถ้ามันเจอง่วงก็จะไปเบื่อเจอคิดเจอเบื่อเจอเซ็งอะไรไปเรื่องที่ดี เพราะเราจะได้รู้เมื่อก่อนเราไม่เคยดูมันนะแต่นี้เราก็มาทําำใจการทํายกมือยกไม้เนี่ยทําเยอะๆเพื่อสร้างตัวรู้เนี่ยให้มันเข้มแข็งกว่าตัวคิดสร้างตัวรู้ให้เข้มแข็งกว่าตัวง่วงตัวเบื่อตัวสิงเมื่อไหร่ตัวรู้ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันเข้มแข็งมเมื่อไหร่พวกนั้ น, นก็จะกลายเป็นปัญญาได้แต่ตอนนี้มันยังกลายเป็นปัญญาไม่ได้เพราะตัวรู้ยังไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นก็ไปขยันทําหน่อยนะ อ่าต่อไปคุณอ๋อคุณพักขมูลยังไม่มาสมปราถนายังไม่มาอันนี้นักเรียนเก่าทั้งสองคนนะ้นงสองคนนี่ว่าจะมาเป็นจิตอาสานะนั้นก็ในการที่เราปฏิบัติเนี่ยเราต้องสร้างแหลกงบันดาลใจให้ตัวเองคือหมายความว่าอะไรที่มันเมื่อมันเกิดความคิดหรือ สิ่งที่เป็นลบบางอย่างเนี่ยเราอย่าอยู่กับมันนานเพราะสิ่งที่เป็นอกุศ ล, ละจิตเนี่ยมันจะไปบั่นทอนกำลังจิตของเราทาให้จิตของเราเสียกำลังในสิ่งที่เป็นลบทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรอะเรื่องราคะโทสะโมหะเรื่องอดีตอนาคตที่มันเป็นายอากุศลทั้งหลายเนี่ยแต่เราไปห้ามไม่ได้มันไม่ให้มันคิดแต่ให้คิดให้น้อยหรือไม่คิดเลยจะดี แต่เรื่องที่ดีทั้งหลายเราจะนํามาใช้เท่าที่จําเป็นเช่นเราทอร้อเราเบื่อเราเซงเราขี้เกียจแล้วก็นึกถึงนึงสิ่งที่ดีเข้ามาว่าสมมุติเราเป็นลูกเราก็นึกถึงโอ้คุณพ่อมีคุณมหาศาลเนาะนอกจากให้อมิตรสมบัติแล้วยังให้ธรรมสมบัตินอกจากให้เราเป็นอมิสทสถาญาติเรายังมีธรรมทสถาญาติให้เราอีกด้วยเราจะปฏิบัติบูบชาคุณพ่อแล้ววันนี้สักเต็มที่เลยเนี่ย เราสร้างความคิดแบบนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทําให้เราเกิดกําลังในการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นการสร้างความคิดที่เป็นกุศลขึ้นมา <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจก็ไม่ถือว่าผิดแม้แต่ยังเป็นสมถะอยู่การสร้างความคิดในสิ่งที่ดีขึ้นมาเนี่ยเริ่กเป็นสมถะที่เอื้อต่อ ว, วิปัสสนานะแต่สมถะที่ไม่เอื้อต่อ ว, วิปัสสนาคือเราไปเสพ ไปเสพความสุขความสงบไปเสพความทุกข์ที่จะทําให้เกิดอํานาจขลังศักดิ์สิทธิ์พิเศษอะไรต่างการไปเสพไปติดไปพอกพูนเป็นวิชฉาสมาธิแต่เป็นวิชฉาสมาธิแล้วเป็นสมถะแบบพรามแต่ถ้าสมถะแบบพุทธคือจะพยายามสร้างกําลังใจที่เป็นบวกที่เป็นตัวจะมาหนุนให้จิตของเรามีพลังนี่ก็เป็นสมถะแบบพุทธจําเป็นต้องใช้ ทั้งสองอย่างนะดัะ น, นั้นในวิธีการที่นําเสนอเนี่ยจะให้เป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ให้มากที่สุดเพราะว่าได้ผ่านประสบการณ์แล้วก็มีทั้งผิดพลาดและมีทั้งถูกต้องสลับกันไปพอนานเข้าเมื่อประสบการณ์เรานานเข้าความเราก็ยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่อของง่ายที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองเพราะเราเคยชินเราเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายเพราะมันมาไม่รู้กี่พกี่ชาติแล้วถ้าจู่ๆเราจะมาแก้ไขทันทีเนี่ยมันก็ยากนะแต่ในเมื่อเรามีศรัทธามีวิิยะสติสมาธิปัญญาที่เข้มแข็งตัวนั้นจะเป็นตัวชำระกรรมสาหรับวิบาะของเราได้เร็วที่สุด คําว่าทําตัวองค์ประกอบทั้งห้าตัวเนี่ยให้มีกำลังฉั้นใช้คำวาอินทรีห้าพาระห้าองค์ทำอันเดียวกันแต่ถ้ามันยังเป็นองค์ทำที่ทํ า, าได้บ้างไม่ได้บ้างเขาเรียกว่าอินทรีย์แต่เอามาทําได้แล้วสมดุลได้แล้วมาใช้เป็นแล้วก็เรียกเป็นพาระก็คือศรัทธาพาระวิริยาภาระสติพาระสมาธิพาระปัญญาภาระนะ ที่ในวิธีการขพทเธียนท่านก็จะเน้นให้เดินอารมณ์ที่สัมผัสได้อารมณ์อะที่เกิดจากการนึกการคิดการตึกการจองตามตำรับตำราตามครูบาอาจารย์อันนั้นไม่จําเป็นเพราะมันกลายเป็นขยะแต่ในส่วนที่เป็นอารมณ์ที่นํามาใช้ได้จริงคือเราสามารถสัมผัสกับมันได้ปัจจุบันขณะนี้ตลอดเวลา แล้วก็สำรวจเข้าไปในกายในใจของเราตลอดเวลาว่าเราสัมผัสอะไรได้บ้างมีอะไรบ้างกำลัง เ, เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขณะที่เราทําอยู่เนี่ยหายใจลึกหรือตื้นยาวหรือสั้นอิริบทที่กำลังนั่งอยู่นี้หนักหรือเบาสบายหรือไม่สบายและการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวแต่ละขณะนั้น เราทำเพื่ออะไรต้องมีสัมปชัญญะเข้าไปกํากับเมื่อวานสัมปชัยญญสี่จําได้ไหมโยมเฉลิมชัยมาทันหรือเปล่าเรื่องสัมปชัยสี่เมื่อวานไม่ทันนะเมื่อวานมาช่วงบ่ายเนอะหลวงพ่อหลวงจะพูดเรื่องนี้ช่งชวงเช้าใช่ไหมสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเรามาใช้จนเป็นคําพูดที่ติดปาก แต่ว่าเราไม่ค่อยเลยลึกลุงไปในรายละเอียดของมันว่าความรู้สึกตัวพร้อมแบบไหนที่เรียกว่าความรู้สึกตั ว, ตวพร้อมที่ถูกต้องนะและต่อเนื่องเนะพราะตัวสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสติสมาธิปัญญาเข้าด้วยกันถ้าเราฝึกที่ตัวสัมปชัญญะแยกชัดแล้วความสัมผันธ์ระหว่างสติสมธิปัญญาก็เกิดขึ้นถ้าสติถ้าสัมผัสแล้วไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนสติสมธิปัญญาก็ ไม่สมบูรณ์หรือสมบูรณ์ช้านั้นจำเป็นต้องให้ความสาคัญเรื่องสัมบัญญะประภะซึ่งท่านแบ่งไว้เจ็ดลักษณะด้วยฉันใช่ไหมสหัมบัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่เดินก้าวหน้าถอยหลังในขณะที่นั่งนะแต่ละท่าในขณะที่ยืนและเดินแต่ละครั้ง เราได้ให้ความใส่ใจชัดเจนในความรู้สึกอันเกิดจากการเคลื่อนไหวในเยาวด์ด้วยสีนี้หรือไม่นี่คือเป็นสาระอันที่หนึ่งของสัมชัญญิยะแม้ว่าดูจะละเอียดเกินไปแต่ก็บางคนมีความสามารถที่จะลงรายละเอียดได้แต่บางคนยังไม่สามารถก็ค่อยฝึกไปเรื่อยๆแต่เราจําเป็นต้อง พูดถึงเกณฑ์มาตรฐานของมันไว้ก่อนว่าตัวความรู้สึกที่พร้อมที่เป็นสาระที่หนึ่งคือยืนเดินนั่งนอนแต่ละท่าเนี่ยเราได้ลงไปดูอาการต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขณะยืนเดินนั่งนอนชัดเจนไหมถ้ามันชัดเจนโอเคได้ละพอทั้งหมด สัมปชัญญะปปะมันมีอยู่เจ็ดสาระใช่ไหมสาระที่หนึ่งก็คือตัวอิริบทสสาระที่สองโดยตรงเลยเรียกว่าสัมปชัญญะปปะเลยคืออิริบทย่อยเพราะฉะนั้นในวิธีการของพระเทียนท่านเน้นอิริบทย่อยและอิริบทสี่เป็นหลักลมหายใจก็อยู่ในอิริบทส่วนหนึ่งของสัมปชัญญะนี้ด้วยนะเพราะนั้นในตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันที่สองเนี่ย มันก็สัมพันธ์อันที่หนึ่งะอันที่หนึ่งก็เน้นการเคลื่อนไหวหยาบๆยาบจากยืนเดินนั่งนอนแต่อันที่สองเนี่ยเป็นการจับอาการที่ละเอียดลงไปอีกเช่นขณะนั่งเนี่ยมีอาการอื่นร่วมไหมเช่นพับตาอาปากหายใจเลี้ยวซ้ายไหลขวาหยิบหยับจับชฉยเนี่ยนี่คืออาการร่วมอาการร่วมของอีโบดหลักเรียกว่าอีดีโบดย่อย การที่เรามีสติเข้าไปตามรู้ในทบทย่อเหล่านี้เรียกว่าสัมปชัญญะในะตัวที่สองคือเริ่มต้นด้วยตัวที่หนึ่งคือเริ่มต้นด้วยอะภิกกันเตปฏิกันเ ต, นเตสัมปชานะกา ร, รีมติคือการเดินจงกรมการเดินจงกรมกับเรื่องอนี้ก็เป็นสัพพัญญะนะเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเดินอันที่สอง ยมสมสรุมชัยเวลาเหลียวไส้หลายขวานี่เคยตามรู that ้บ้างไหมเคยตามรู้ว่าขณะเหลียวเนี่ยมันเหลียวยังไงเคยตามรู้ชัดชัดไหมไม่เคยมันมันชินใช่จนเรานึกไม่ทันนะเพราะนั้นมันหน่อยไหนเนี่ยไปเลยใช่ไหมไอคดีจะมาค่อยๆเอียงไปเขาเขาก็เป็นหุ่นยนต์ไปแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าหยิบอันั้นมาโดยพ่อค่อยอ่า เหลีวทั้งตัวเลยชัดเขาก็าฝึกดูนะเนาะหรือว่าอันที่สองเราว่าอาโลกิเตวิโลกิเตสัมปชัญญะการรีโหติสาระ ท, ที่สองขณะเหลวก้มงเงยเหลวซ้ายเลวขวามีถึงสี่เลยนะซ้ายขวาใช่ไหมเงยก้มนะอโลกิเตวิโลกิเตเหลวซ้ายและขวาก้มเงย สาระที่สามท่านใช้คําว่าสัมมินชีเตปาสาลิเตชัดเลยคือการสร้างจังหวะสัมมินชีเตคูเข้าปาสาลิเตเหยียดออกอันนี้หลักฐานในพระไตรปิฎกนะไม่ใช่ามาในวิธีการนี้มุ่วไม่ได้เพราะฉะนั้นการสร้างจังหวะนั้นคือสัมปชัญญปะปปะในหมวดที่สามเพราะนั้นใครจะมาท้วงว่าวิธีนี้ไม่ไ ม, มีในพระไตรปิฎก บอกว่าคุณอ่านพระธรรมปิฎกไม่เป็นแล้วก็คุณมอตีความพระธรรมิกไม่ถูกมันก็จะทำให้เขาคนที่เขาไม่รู้เรื่องว่าปฏิเสธได้บอกเออมาพระธรรมิกในข้อที่สามว่าด้วยสัมชปชัญญปปะพระหน้าที่เท่านั้นสูตรที่เท่านั้นบอกได้เลยในสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยกายานุปัสนาสติปัฏฐาน หมดที่สามว่าด้วยสัมปชัญญปปะพระพระไตรปดฎกหน้าเล่มที่4ี่สิบสองหน้าสามสิบเอ็ดเขาอ้างไปแต่๋ยวเกิดเขาไปดูข้อจริงไอ้คนนี้มั่วหรือเปล่าจะตามไปดูเอาเขาบอกว่าเจ้เจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยท่านอ้างได้หมดเลยหนะ้าเท่านั้นบรรทัดทีด่านั้นที่อาจารย์สิเห็นพงในสมัยนั้นไปรู้สิเจ้าคุณประยุทธ์ถ้าเละแอบไปดูว่าหลวพ่อเจ้าคุณนี้มั่วหรือเปล่าตรงหรือเปล่าที่อ้างมาๆๆๆโอ้โตเป๊ะเลยท่านไม่ได้มั่วเลย นั่นจะคุณธรรมพิดกที่วัดยาณเวสกวันนะั่นเอันนี้ก็สาระที่สามคือสัมมินชิเตปาสาลิเตจังหวัดสิบสี่จังหวัดนี่สมมินชิเตคือคูเข้ามาป่าสาลิเตคือเยดออกไปนะอันนี้ชัดเจนเลยแล้วก็อันสาระที่สี่ สังคาติปตตะจีวรธารเนสัมปชานักกรีโหอันนี้ท่านเน้นที่พระนะว่าการนุ่งสมงทรงจีวรใส่สังคาติเนี่ยทำอย่างไรถ้าเป็นครื่งหัดเราจะตีว่าไงมีความรู้สึกตัวทุกพร้อมในการใส่นุ่งเสื้อผ้าใช่ไหมแต่งตัวเคยบ้างไหมว่าโยมฉลิน เวลานุ่งผ้าแต่งตัวเคยจับความรู้สึกตามการเคลื่อนกไหวขยกมือบ้างไหมมีผมแต่งคิ้วแต่งหน้านี่เคยตามรูมชัดชัดไหมไม่น่ะไม่เคยนึกไม่ออกเลยเราวนไปมันเดือดเรื่อยจนง่มัดใช่ไหมอ่ะ ส, สาระที่สี่หมายถึงการแต่งนี้แต่งตัวการนุ่งผมเสื้อผ้า การตกแต่งร่างกายให้พร้อมให้รู้สึกตัวไปเดิดสาระที่ 4. สี่สาระที่ห้าอืมท่านใช้คำว่าปีเตขายิเตสายิเตสัมปชานญะกาลียมติในขณะที่กำลังเคี้ยวข้าวดื่มน้ำทานอาหารแต่ละช้อนแต่ละคำเนี่ยเคี้ยวละเอียดไหม แล้วก็ลดไปยังไงเคี่ยวกี่ครั้งกี่คําทานกี่คําในขณะกลืนรู้สึกตัวไม่กลืนว่ายังไงในขณะอิ่มอิ่มคําไหนอะไรโอ้ลงลึกขนาดนั้นเลยนะนี่คือเรียกว่าสัมปชัญกาลีสาระที่ห <c oughs> อุจาระปัสสาวกัมเมสัมปชัญกาลีติเวลาเข้าห้องน้ําห้องส้วงหนักเบาเข้าไปแล้วเป็นยังไงทําอะไร กิจกรรมแต่ละอย่างชัดไหมตรงนั้น <Okay. S 1> คือในขณะที่มาฝึกเรื่องเนี้ยไม่ต้องรีบหมายความว่าให้มันชัดไว้ก่อนเพราะเรามาเรื่องนี้โดยเฉพาะเราไม่มีงานอื่นต้องทํามาทําเรื่องนี้โดยเฉพาะให้มันเนิบมันช้ามันชัดไว้ก่อนเวลาทานาันบ้างไม่ทันไม่ไป็นไรแต่ขอให้จับสาระตรงนั้นนะแล้วสาระท่องหกมันเจ็ดสาระสาระที่เจ็ดก็คื อ, อ คาเตทีเตนิสินเนสุดเตชาเคลเตพาสิเตตุนฮีภาเวสัมปชานญะ ก, กาเรหโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะไปลุกไปในเข้าห้องน้ำรู้สึกตัวไหมก่อนที่จะลุกขึ้นนั่งหนักหรือเบาหายใจเข้าเคลื่อนไหว เป็นไงขณะนั่งแล้วก็ขณะพูดรู้สึกตัวไหมพาสิเตขณะพูดลิ้นมันกระดกขึ้นลงลิ้นที่ปากมันขึ้นมันลงมันเข้ามันออกเนี่ยรู้สึกไหมอ่าสุเตขณะหลับนะขณะหลับรู้สึกตัวไหม รู้สึกตัวตอนที่ก่อนจะหลับหายใจเข้าออกนั่นแหะนั่นแหะตอนนี้แหละสัมปชัญ ญ, ญละล่ะฝึกสัมปชัญ ญ, ญะในขณะนั้นาหายใจเข้าออกที่เราทําในออกกำลังกายละตุนฮีภาเวนิ่งขณะนี้รู้สึกตัวชัดไหมนี่ทั้งหมดในสัมปชัญญะปป ะ, ะที่เรามาประยุกต์ใช้นี่เป็นตัวหลักในวิธีการเคลื่อนไหวทั้งหยาบกลางละเอียดสามระดับเลยเพราะฉะนั้น เราก็เข้าไปสำรวจแต่ละสาระสาระว่าอันไหนเราทําได้อันไหนทำไม่ได้ก็ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสมบูรณ์นะเมื่อไหรมันสมบูรณ์ทุกสาระหมายความว่าทุกก็เข้าไม่ได้นะไม่มีทางเข้านะหมดถ้าเขาต้องการตรงนั้นเนาะโอ้หมดเวลาพอดีเวลาน้อย็นะ mm hmm. ก็วันนี้เราจะไปทําเรื่องสัมพัทธิญาณ น, นะส่วนทําได้แค่ไหนเท่านั้นคือสังเกตการเคลื่อนไหวความรู้สึกทั้งหยาบกรังละเอียด ยากมายถึงว่าเราทนไม่ได้แล้วกลางพอทนได้ละเอียดเรายังไม่ได้ทนเลยรู้สึกสบายๆแต่ก็เป็นเวทนาที่ละเอียดนะเดี๋ยวสักพักนึ่งก็เปลี่ยนเป็นกลางใช่ไหมสักพักนึงก็เปลี่ยนเป็นยากแล้วก็มีการเคลื่อนไหว